แรีว่าใช่ผิดประเภทใช่กะใช่กายผิดประเภทใช่จิตใจผิดประเภทเราใช้เมฆไปประหัตประหารไปฆ่าไปตีกันใช้เมฆไปปันดินปันเล็กนะมันก็เสียอย่างความเป็นพิการใช้ชีวิตของเราเหมานกันมาใช้ชีวิตเพือ่อ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 แต่ลงก็ไม่ ล, ลูกนั่นแหละแต่ลูกมันก็ไม่ลงนั่นแหละเป็นลกูกเห็นลกูกเห็นน้ำส่วนของลูกก็มีมากของลูกไปเฉลยทั้งหมดไ ม, มีธรรมชาติมีอาการที่เกิดอยู่กับลกูกน้ำก็มีธรรมชาติมีอาการที่เกิดขึ้นกับน้ำมันเป็นอย่างนั้นมีเท่กากันเหมือนกันอีกเป็นมีอาการมีธรรมชาติ นั่งอยู่นี่ก็ไหลไปเรื่องของลูกมันไหลไปไหลไปสู่ความไม่เที่ยงไหลไปสู่ความเป็นทุกข์ไหลไปสู่ความไม่ใช่ตัว ต, วตนเท่าๆกันไม่เคยไหลไปทางอื่ไหลไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ค, ความตายลูกทําหน้าที่ของเขาธรรมชาติของเขาอาการของเข า, อ, า, นนาอ่าความเหีิวความว่างความร้อคนความหนาวเหมือนการเป็นอาการอศก็ลูกอย่างนั้นจะเอาความร้อคนอความหนาวความเจ็บ เดี่วข้อริ่มข้อหนาวมาเป็นทุกข์เดี่ยวข้อยู่วมาเป็นทุกข์ต่อไปอย่งเดียวคือรู้แล้วเดีย๋ยวข้องกับสินน่งเหล่านั้นให้ถูกแล้วก็นิดหน่อยแค่นี้แต่เราไม่รู้มันก็ไม่แค่นี้มันมากมากมายงว ม, ก, มกับฝ่ายทหารหยานเ่ยตีข้องแต่ยินเสียงข้องก็กรว่าดมีโตโพมีโตโพมีโตโพ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 ลูกมันทุกข์นะสองสารลูกเนี่ยทุกข์ของลูกสภาวะทุกข์ในสลรานทุกข์อากันทุกข์กทุกข์สภาวะทุกข์ก็ทุกข์ตามสภาพของสังขารร่างกายมันเป็นของเขาในสลรานทุกข์ก่อทุกข์เมื่อนิสหายใจเข้าหายใจออกทําไมหายใจมันก็ทุกข์หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ทุกข์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 เราจะนั่งดู Sarah, ไปวดเท้งปวดขาไหมไม่ได้กินข้าวกินข้าวมื้อเดียวเป็นยังไงอ่ามันเป็นอย่างไงล้วก็นอนที่นีน <play speakers> ่อาจจะไม่เหมือนที่บ้านกินอาหารที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่บ้านอยากินของร้อนได้ของเย็นอยากินของเยนเย็นได้ของร้อนอยากกินของหวานได้ของจืดอยากกินของจืดได้ของเผ็ดของเค็มอ่ามันเป็นอย่างไงในโลก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 แล้วก็เอาขนลองอีกชั้นสุดท้ายคือขนมาลูกนกนยินเสียออกทีแรกก็ได้นอนขนแม่อบอุ่นนุ่ม น, นิ่มหลายวันไปก็แม่ก็คาบขนออกทิ่งเหลือแต่ใไบไม้สัมผัสใบไม้ดูอ่ะก็ไม่เหมือนขนแม่อะเอาไปมานอนเลยแล้ววันแม่ก็คาบใไบไม้ออกรู้น้าแล้วป่ะเนี่ทํายังไงะเจ็บปวดแล้ว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 แล้ว ก, ก็ทุก้องก็ทุกข์โยก็ทุกข์ใช่ไม่ได้ถ้ากำหนดดูปอาการมันเท่เากาหนดรูปอาการละอย่า ง, นงนาเนี้ยโลกของนามเนี่ยโลกของนามเนี่ยละอย่างเดียวโลกของนามคือเรสัตว์ทุกกามหนดรูปทุกกาหนดรูปสมัยไทยตรงละมักทำให้มากมีโลดทำให้เจ๊งอย่าไปปิดบังเอาไว้ของโกดอยาไปปิดบัง ความโกรธนั่นเป็นสิ่งที่หนากิดบังความโกรธของไฟตกใส่เราติดตกไปเลยตัดตกไปเลยอย่าไปเก็บไว้โลกของนางบางคนเก็บเอาไว้เคยเก็บวะทะยศเคยเก็บความโกรธไว้บ่โกรธทหไม่ออกอยู่ตั้งหลายอะไรเล่านางนี่แหละเก็บเอ้ไว้ไม่เก็บทำไมเป็นลู่ถามบ่เล่าไปเล่าเถ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 ก็เปี่ยนไม่ออกได้หวเนาะี่นคอยชงมุงเขาถือเขารับแขกเรต้องเขียนงาเจ้าเป็นธุระเอาไม้ว่ากะถิ่นแบพอย่างนี้ถามวันน้น่งเชียรเขาลายเป็นไงละกันเขียนตึ๊ดกันทีเลยเขาจบอกแล้วนะมาถามอยู่แต่ว่าเปะกันดีปากับคนทั้งา